เซนละทานี้อ้าวยักษ์ตัวนี้ก็เลยก็เลยยังไงเนี่ยยักษ์นั้นอ๋อเขาบอกที่อยู่ของยา ก, ก่อนว่ายักษ์เนี่ยอาศัยอยู่ที่คือหัวเสาในสลาอยู่ที่คืนะอยู่ที่คือหัวเสาในสลาอ๋อเพราะฉะนั้นยักษ์นี่นยักษ์นี่มันอยู่ที่สูงเหมือนกันนะคือคือพูดง่ายๆว่าปกติมองไม่ค่อยเห็นนเท่าไหร่อ่ะเพราะมันอยู่ข้างบน น, นัเผอเผอมันหล่นทับนะระวังหน่อยนะระวังยักษ์มันหล่นทับมันหล่นทับก็คือ ม, มามากินเราแหละนั่นนี้มันอยู่ที่ไหนโอ้โหมันอยู่ที่หัวเสาที่คือเลยอันนี้พอยักษ์เห็นทั้งสองพ่อลูกเนี่ยนะเข้ามาพักก็เลยคิดว่าเราจะต้องทําให้ผู้เป็นบิดาเนี่ยจาําจึงโรยผงละเอียดลงไปด้วยอนุภาพของตนนะก็เอา ผ, ผงเนี่ยมาโรย ผงปิวเข้าไปในรูจมูกของของพ่อของผู้ผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยเพราะว่าพ่อนี่นอนหลับอยู่นี่มลูกก็บีบนวดให้ตอนนี้พ่อก็เลยจามทั้งที่นอนอยู่ที่พื้นกระดานนั่นเองแต่บุตรพรามก็ไม่ได้กล่าวว่าคือไม่ได้พูดอะไรไม่ได้กล่าวว่าขอให้ท่านจงมีอายุเถิดคือก็เฉยเฉอยู่เพราะว่าบีบนวดพ่ออยู่ใช่ก็เฉยเฉอยู่ไม่ได้พูดอะไร ยากจึงลงจากคือไม้จะกินบุตรของพรามนะคือไม้จะกินบุตรของพรามเนี่ยซะก่อนเพราะว่าไม่พูดนี่นะมีคนจามเสร็จใช่ไหมไม่มีคนรับอ่าไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนพูดห่วงใยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนคนที่ไม่ใช่จามนะจะถูกกินก่อนฟังดูให้ดีอ่าคนใจดําถูกกินก่อนส่วนคนที่ป่วยอยู่นั่น ยักษ์มีสิทธิ์กินไหมยักษ์มีสิทธิ์กินไหมไไถ้าไม่พูดจะต้องโดนกินอีกเหมือนกันอ่าเพราะฉนั้นเห็นคาอื่นใจดําแล้วเราใจดําตอบโดนยักษ์กินทั้งคู่นตอนนี้นตอนตนี้ก็เลยกะว่าจะไปกินตัวลูกก่อนนะลูกชายก่อนตอนนั้นก็เลยเตรียมแล้วจะเข้าไปและขณะนั้นพระมานพเห็นยักษ์ไต่ลงมาจึงคิดว่า เจ้ายักษ์นี้เองทำให้บิดาของเราจามเจ้านี้คงจะเป็นยักษ์กินคนดังที่เขาร่าลือกันก็การที่ทำให้บิดาของเราจามก็คงหมายทาลายอายุของบิดาเราให้หมดลงแน่อ่ก็คิดดีนะ <c oughs> คือตอนแรกที่ยังไม่พูดเนี่ยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรนะแต่แต่พอเห็นยักษ์ลงมาจากเสาเท่านั้นเอง ก็รู้ว่าอ๋อนี่ก็พ่อนอนอยู่ดีๆอะ่ะใช่ไหมแล้วก็มาจามเนี่ยแล้วก็ยักษ์นี่ต่ายลงมาแล้วก็พูดเหมือนอย่างกับว่าได้ยินได้ยินกิติศักดิ์มาเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะมาพักนี่มีคนบอกเลยใช่ไหมว่ า, าจะมียักษ์นาะ ท, ที่สารานี่นะถ้าไม่กลัวก็ไปพักแล้วกันอ่าก็เขาก็ไม่กลัวจริงๆอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าเขามีความคิดว่า พอที่พ่อเขาจามขึ้นมาเนี่ยสงสัยเป็นเหตุเพราะยักษ์เนี่ยคงจะต้องทำอะไรแน่ๆเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยคงจะทำให้อายุของพ่อเขาหมดลงแน่ก็หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าจะมากินแง่ๆเลยดังนั้นจึงรีบกล่าวออกไปว่าข้าแต่บิดาขอท่านจงมีอายุ120ปีขอให้ยักษ์ผีปีศาจจงอย่าทำร้ายได้ ท่านจงเป็นอยู่ถึง120ปีเถิดใช่ไหมก็ทําไมถึงพูดอย่างนี้อ่ะอ้าวเพราะว่าตอนนี้ยักษ์กำลังย่างสามขุมเข้ามาแล้วใช่ไหมเตรียมจะมากินเขาก็กินพ่อเขาเนี่ยนะอ่าแต่พ่อพ่อเขาหลับอยู่ใช่ไหมแตอนนี้จามก็คงตื่นแล้วแหละถ้าจามนี่ก็ตื่นแน่ๆแล้วนะหรือว่าใครจามก็ไม่ตื่นฮะโอ้ตอนจามเนี่ยตื่นหรือเปล่า นอนจามีตื่นแน่ๆแหละโอ้โหเหลือถึงขนาดนั้นเฉลยถึงขนาดสลึมสลือจามเลยส่วนใหญ่ถ้าจามจามนะไม่ใช่ไอแบบธรรมด า, าแก๊ๆนะจามนี่มันโอ้โหคุณแรงนะจามเนี่ยโอ้โหอะไรจามสลึมสลือเออ ส่วนมากกะตื่นนะจามเนี่ยต้องมีสติตื่นมาแน่ๆ แ, แล้วจริงๆอาจจะยังไม่หลับได้ซ้ําไปนะเพราะว่าลูกเขาก็บีบนวดให้อยู่อาจจะแค่เคลิมคล้มๆเสร็จแล้วพอจามเนี่อลับรองตื่นแน่นอนเลยตอนนี้ลูกลูกของพรามีก็กลัวใช่ไหมว่าเอ้ยยักษ์นี่เดี๋ยวจะมากินพ่อเขาแน่แนใช่ไหมเพราะนั้นก็ก็เลยบอกเลยบอกว่าเนี่ยขอให้พ่อเขาเนี่ยมีอายุถึงร้อยยปีนะ ไม่รู้ขอขอใครก็ไม่รู้นะนะจะขอยักหรือเปล่าเนี่ยก็ก็รู้แล้วอ่ะว่าขอให้พ่อเขาเนี่ยมีอายุถึงร้อยยีปีนั้นเนี่ยขอให้ยักษ์ผีปีศาจอะไรเนี่ยอย่ามาทำร้ายได้นะสงสัยจะขอเทวดาฟ้าดินนะอ่าก็นั่นะสินะก็เลยขอก็ไม่รู้แล้วนะจะขอเทวดาจะขอพระเจ้า จะขออะไรกัขอเกจิอาจารย์ไม่แน่นะั้นในที่เนี้บางคนอาจจะขอให้พ่อท่านเนี่ยช่วยหน่อยตอนที่โอ้โหนะร้องไห้ไม่หยุดมาสามคืนแล้วนะขอให้ช่วยลูกทีมีหรือเปล่าละมีใช่ไหมก็นั่นแหละก็เหมือนกันเลยเนี่ยนะก็ขอเพราะว่ายักษ์กำลังจะมากินนะกลัวตาย กลัวตายกลัวจะร้องไห้ไม่หยุดนะ่ะหมดน้ำตาแห้งตายเพราะฉะนั้นก็เลยขออย่าเลยได้จริงๆมันจะช่วยได้จริงก็แบบมันอุ่นใจขึ้น<ม>นะเออมันอุ่นใจขึ้น<ร>แต่ว่าจริงๆแล้วมันช่วยไม่ได้นะรจริงๆเราต้องปรับใจเราเองต้องปรับจิตเราเองเพอท่านอยู่ไกลๆบางทีไม่รู้อยู่ที่ไหนนะ พอเผื่อพ่อจะส่งกระแสจิตไปช่วยนะหรือบางคนบางคนอุทานนะอนเนรวานทุกีไรก็ขทุกทีบางคนที่เขาชอบอุทานเนะี่ยเวลาทําอะไรหล่นหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้ยตาเทนเออตาเทนอะไรบางอ่ะโอ้เยอะแยะเลยแต่แต่ละคนนี่แม่บางคนหยาบหยาบก็มีนะอุทานออกมาเอย เนี่ยบางคนนะเขาหยาบหยาบเนี่ยโอ้โหอุทานอะไรหยาบยาบก็ไม่รู้ว่าขอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาละไตัวนี้เอาประเภทขอเลยนะอาตมาเชื่อว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยขอแน่นอนเลยอาตมาเชื่อไม่ไม่เว้นไม่แต่ตัวทาไมนะมังเคยขอเลยบางทีนะสมัยก่อนเนี่ยวายหลวงปู่ทวดนะชอบนับถือหลวงปู่ทวด พระพุทธรูปบบเป็นเป็นรูปอะรูปรูปอะไรอะเขาเรียกรูปแหละ ร, รูปรูปแบบบูชาแบบพระบูช า, า, า, า, า, านะอาออตมาต้องไปบูชาทุกวันเลยนะพยายามนะเอาซื้อมาลัยซื้ออะไรเนี่ยม า, มาบูชาหลวงปูท่ทวดไม่ได้นึกถึงพระพุทธรูปเลยนะตอนตอนนู้นไม่รู้ทําไมอาตมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บูชาแบบอะไรอะพระพุทธรูปไอ้ตอนนั้นไม่รู้ยังไง นึกแต่หลวงหลวงพ่อทวดเนี่ยเพราะว่ามีเป็นเขาเรียกพระอะไรพระเครื่องเอ้ไม่ใช่พระเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระบูชาเนี่ยนะเป็นพระบูชาเนี่ยก็แปลกนะก็บูชาแต่แต่หลวงหลวงพ่อทวดเนี่ยท่องกระถาได้ดยซ้ําทุกวันนี้ยังท่องได้เลย ยังจําได้เลยขนาดโอ้โหสิกว่าปีมาแล้วนะสิบกว่าปีมาแล้วนะไม่ท่องไม่งั้นแต่ก่อนนู้นตอนนอนทุกคืนแปลกนะแท้ที่จะสวดมนต์เราคิกถึ ง, ถงอารักษ์สามมาไม่ใช่สวดเลยนะสวดแต่คาถาของหลวงปู่ทวดก่อนนอนเออแล้วก็ก็นโมโพธิสัตว์โตแปลกด้วยนะคาถาเนี่ยโพธิสัตวโตนี่คือคาถาพูดถึงโพธิสัตนะคาถานี้แต่จริงๆแล้วเป็นของหลวงปู่ทวดเหยมน้ำทะเลจืด เออนะนาโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะขวานะไม่ยาวหรอกก็แค่นี้เองแค่สั้นๆแต่คาถานี้อาจจะเป็นค า, าถาถึงพู้เจ้าเจ้าก็ได้แต่ตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นคิดอยู่แต่ว่าเป็นคาถาของหลวงปูท่ทวดเท่านั้ น, น, นแต่จริงๆแล้วเป็นโพธิสัตว์อย่างเนี่ยนาโมนี่ก็ขอนอบน้อมใช่ไหมโพธิสัตวโตก็แดบเนี่ยพราะว่าโพธิสัตว์แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอะเรารู้แต่ว่า เอาละเป็นบาลีแล้วก็ให้เราท่องก็หมายถึงคาถาของหลวงปูท่ทวดนอนตอนนอนทุกคืนไปไหนใจเสียหรือว่าไปไหนเกิดกังวลเกิดอะไรก็เอาแล้วนโมก็เอาขึ้นแล้วนโมโพธิสโตอะไรก็ขึ้นแล้วนะก็ทําให้ใจเราสบายท่ง น, นที่ความจริงหลวงปูท่ทวดท่านไม่ได้มาช่วยอะไรเราหรอกท่านก็ไม่รู้อินโอยเนยอะไรกับเราด้วยนะแต่จิตเราเนี่ยคือเราสร้างอุปท า, านเองแล้วเราสร้างเป็นพลังขึ้นมาเองมันเป็นพลังของความศรัทธาของความเชื่อ ที่จะมาทําให้ใจเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนกับมีใครช่วยวันศาสนาที่เขานับถือพระเจ้าเนี่ยเขาก็ใช้จิตวิทยาอันนี้แหละที่ทําให้มีความรู้สึกว่าเออมีพระเจ้านะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองมาช่วยเหลือมันก็ทําให้ใจมันอุ่นขึ้นนะหรือว่ามีพลังขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้สู้คนเดียวอะ่ะมีคนหนุนหลังมีแบ็กอยู่าแบ็กสาคัญด้วยนะแบ็กนี่แบ็กพระเจ้าด้วยนะโอ้โหมันก็ทําให้มีพลัง นะมีฤทธทางใจขึ้นมาที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนะหรือว่าบางทีจะทำอะไรด้วยความเหนื่อยยากอะไรเนี่ยมันก็มีความอดทนได้เก่งขึ้นเพราะว่าเรามีความเชื่อว่ามีผู้คอยช่วยเหลือเราอยู่อันนี้เป็นจิตวิทยาแต่ถ้าใครเข้าใจอย่างนี้แล้วบางทีก็เลยอุปทานไม่ค่อยขึ้นเลยหมดแรงเหมือนกันแต่ถ้าใครเข้าใจเป็นสาศสตจา๋แล้วว่าอ๋อต้องเป็นพลังจิตของเราเอง นะัถ้าเข้าใจอย่างนี้นะเราก็พยายามเพิ่มพลังจิตให้กับตัวเองจริงเราอาจจะเราลึกถึงผู้พระเจ้าก็ได้ลึกถึงหลวงปู่ทวดก็ได้แต่ให้เรารู้ว่าเรารลึกถึงเพื่อที่จะมาเป็นพลังจิตของเราแล้วที่เราจะได้หรือไม่ได้นี่อยู่ที่จิตของเราเองไม่ใช่อยู่ที่สิ่งนั้นถือว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่กัะสินถ้าใครเข้าใจแบบสมาธิอย่างนี้ก็กใช้ได้นะยังยังเข้าใจได้ถูกต้อง นะอย่าไปหลงว่ากลายเป็นสิ่งอื่นมาทําให้เราทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้อันนี้มิจฉาทิฏฐิอันนี้แสดงว่ายังไม่มียานไม่มีความรู้จริงนะตอนนี้ <c oughs> ลูกของพราม์เนี่ยใช่ไหมก็เลยขอให้พ่ออ่าขอให้เนี่ยปีศาจยักษ์อะไรอย่ามาทำลายขอไปโน่นเลยขอให้พ่อมีอายุจะถึงร้อยี่สิบปีเลยนะคือขอมากๆปกติคนเราขออะไรก็มาแ ก, ก่เพื่อ ไม่ค่อยมีใครขอให้ขาดจ้ะใช่ไหมมีไหมใครที่ขอเนี่ยขอแล้วให้มันขาดขาดไม่มีหรอกมีแต่ขอเผื่อทั้นั้นอนะ่ะขอเกินทั้งนั้นอนะ่ะใช่มไหม อ, อขอให้พอดีนี่ยังยากเลยนะขอแบบว่าขอแบบพอดีเลยนะเป๊ะเป๊ะหายากส่วนมากกิเลสเราเนี่ยมันขอให้เกินไปก่อนนะเผือผ่อเอผือนะผ่อเหลือไม่มีเผื่อขาดแะเผื่อเหลือไว้ก่อนนะนี่ให้รู้นะเนี่ยกิเลสตัวนี้ตอนนี้ พอยักษ์ได้ฟังคําของบุตรพรามจึงลำพึงว่าเราไม่สามารถจะกินมานพนี้ได้แล้วเพราะเขากล่าวว่าขอให้บิดาจงมีอายุเป็นอยู่เธอแต่เราจะกินบิดาของเขาได้นะแล้วก็ตรงเข้าไปหาพรามผู้เป็นบิดานี้พรามผู้เป็นบิดานี่ก็ตื่นแล้วนะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เป็นห่วงบุตรของตนจึงรีบกล่าวบ้างว่า ดูนะตอนแรกเนี่ยลูกของพามนี่กลัวพ่อจะโดนยากกินใช่ไหมก็เลยรีบพูดขอให้พ่อตอนนี้พ่อพอตื่นมาเห็นเห็นยากอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊อย่างสามขุ่มเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้จะมากินใครเพราะว่ายุ่นั่งอยู่ด้วยกันได้ก็เป็นห่วงลูกใช่ไหมคราวนี้พ่อก็เลยขอให้ลูกบ้างว่ า, วาแม่เจ้านางกาวต่อไปนะพอลูกบอกว่าใช่ไหมขอให ขอให้พ่อเนี่ยจงมีอายุ120ปีใช่ไหมแต่นี้ลูกก็บอกแม่แมพ่พ่อก็เลยบอกว่าแม่เจ้าก็จงมีอายุ120ปีพวกยักษ์ปีศาจจงพินาศไปเจ้าจงเป็นอยู่ถึง120ปีเถิดอ่าก็พูดด้วยความเป็นห่วงลูกเหมือนกันยักษ์ได้ฟังดังนั้นคิดว่าเราไม่สามารถกินได้ทั้งสองคนนี้จึงถอยกลับอ่าก็ก็อดกินแล้วนะ งานเลี้ยงนี้จืดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องถอยกลับนะโตโ ต, ตอะไรโต ล, ล้มละโต๊ะจีนลมบุตรพราหมณ์เห็นดังนั้นจึงถามยักษ์ว่าคือคือบุตรพรามณ์นี่เขาไม่กลัวอยู่แล้วนะลักษณะท่าทางเขาเพราะเขากล้าดึงพ่อเขามาพักที่สารานี่แสดงว่าเขาไม่กลัวยักษ์นี้อยู่แล้วแสดงว่าเชื่อมั่นตัวเองว่าสามารถจะปรับสามารถจะปราบยักษ์นี้ได้ มันก็เลยถามยักษ์ว่าดูก่อนเจ้ายักษ์อ๋อตอนต้นเรื่องเขาก็บอกแล้วนี่ใช่ไหมว่าเนี่ยถ้ามียักษ์แล้วก็เขาจะจัดการให้ให้พ่อเขาให้แบบว่าไงให้มากราบแท้ท้าพ่อเขาด้วยซ้ํำไปใช่ไหมเขาพูดอย่างนั้นแสดงว่าเป็นคนที่มีความกล้าแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงท่านที่ก็เลยถามยักษ์ดูก่อนเจ้ายักษ์เพราะเหตุไรเล่าเจ้าจึงไม่สามารถกินคนที่เข้ามายังสารานี้ได้ ก็สงสัยว่าทำไมไม่กล้ามากินเขาสองคนใช่ไหมพ่อลูกยักษ์จึงตอบว่ายกเว้นคนที่กล่าวโต้อตอบว่าขอให้จงมีอายุเถิดนาะนอกนั้นเรากินได้หมดยักษ์ก็พูดไปตามความเป็นจริง <c oughs> พรามานพจึงมีเจตนาที่จะโปรดยักษ์จึงสอนว่าเจ้าก็ททำอกุศลไว้ในพบก่อน จึงต้องเกิดเป็นผู้ร้ายกาดหยาบคายชอบเบียดเบียนผู้อื่นแม้บัดนี้เจ้าก็มาเกิดเป็นยักษ์ยังทำกรรมเช่นนี้อีกเจ้าจะเป็นผู้ชื่อว่ามืดมาแล้วมืดไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เจ้าจงงดจากปานาติบาตเป็นต้นเสียเถิดคือพูดง่ายว่าก็เจตนาที่จะที่จะสอนยักษ์ให้เลิกเป็นยักษ์ นะเจตนาจะสอนยักษ์ให้เลิกเป็นยักษ์วะะันก็เลยบอกว่านี่การที่คนการที่เจ้าเป็นยักษ์เนี่ยเพราะอะไรเป็นยักษ์นะนิสัยร้ายกาดนิสัยหยาบคายนิสัยชอบเบียดเบียนคนอื่นเขานะพูดง่ายๆไม่มีสีนั่นเองนะคนไม่มีสีนี่จะเบียดเบียนหมดเอาง่ายๆแคส่สีหน้าสีข้อที่หนึ่งก็เบียดเบียนก็คือทำร้ายคนอื่นเขาใช่ไหมอาจจะทางกายก็แล้วแต่ นะสิ่งข้อสองทำร้ายคนอื่นเขาโดยไปเอาเข้าของคนอื่นเขาอ่าสิ่ข้อสามเนี่ยก็ไปไประพฤติผิดลูกผัวเมียอะไรคนอื่นเขาเห็นไหมไปเบียดเบียนคนอื่นสี่สก็อ่าทำร้ายคนอื่นเขาทางวาจาแล้วอ่าข้อห้าอับอายมุกอ่าทำร้ายคนอื่นด้วยมอมเมาคนอื่นด้วยแล้วก็มอมเมาตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยแบบว่าเนี่ยนะก็เพราะว่ามีนิสัยอย่างนี้แหละยักษ์มีนิสัยอย่างนี้อ่ะคือไม่มีศีล5นี่แหละเมื่อไม่มีศีลอย่างนี้ถึงได้เป็นยักษ์ใช่ไหมเนี่ยชาติที่แล้วก็เป็นยักษ์มาแล้วที่จริงถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีศีลนี่ก็เป็นยักษ์แล้วเสร็จแล้วไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้เปลี่ยนนิสัยฮอันตายแล้วมาเกิดอีกก็เป็นยักษ์อีกก็ยังมีนิสัยอยู่เหมือนเดิมแล้วชากินี้ก็ยังมาเบียดเบียนคนอื่นเขาอีก บอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็แย่แน่เลยยังดีได้เกิดเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้เป็นคนนะนะยังได้เกิดเป็นผู้เป็นคนเขาแต่เป็นคนที่เราเรียกว่าคนยักษ์นี่แหละนะเป็นคนที่มีนิสัยที่หยาบคายคนที่มีนิสัยเร็วซามนะเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าอย่างนี้อุตามีโอกาสได้เกิดเป็นคนแล้วเนี่ยใช่ไหแล้วก็มายังมาทำตัวเป็นยักษ์ ยังมาเบียดเบียนคนอื่นเขามาหยาบคายมาอะไรอ่ะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำร้ายคนอื่นเขาก็ถ้าอย่างยี้นี่ก็เป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับอะไรมืดมาแล้วก็มืดไปนะก็เป็นยักษ์มหาก็มืดมาอยู่แล้วแล้วก็มืดต่อไปอีกไม่จบอย่างยี้ไม่จบก็ไปไปเรื่อยอ่ะเพราะฉะนั ใครเนี่ยมีนิสัยบางทีอ่ะเอา้าเราเห็นดูนะบางคนนะตั้งแต่เด็กเลยโอ้โหนิสัยก็เกเลรก็แย่จนกระทั่งจนโตเนี่ยแหละมันก็ยังเกเลรก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยเลยจนกระทั่งตายเนี่ยแหละมันก็ยังเป็นอย่างนั้นนี่แหละพวกมืดมาแล้วก็มืดไปนะตลอดหาแสงสว่างยากเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยสอนเลยนะบุญของพามี่ก็เลยสอนเลยว่าควรจะถือศีล น, นะก็ควรที่จะปฏิบัติ ตัวเองให้ดีอย่าไปเบียบเบียงคนอื่นบุปพรามอบรมสั่งสอนทรมานยักษ์นั้นแล้วขู่ด้วยภัยในนรกก็เอามาขู่เอานรกมาขู่นรกก็คือความเล่าร้อนนั่นเองคูให้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมุติว่าชอบกินคนเนี่ยยากชอบกินคนคือชอบเบียบเบียงคนอื่นเขาชอบทำร้ายคนอื่นถ้าเ้าไหนอดไม่ไย้กินก็ทุกข์ก็ทรมานก็เล่าร้อนใจ นะอะไรข่าวไหนก็ตามที่ไม่สมใจเนี่ยแหละ ก, ก็ทุกทุกทีไปมันก็เลยเอาตัลกเนี่ยมาคู่ทายักให้เหมือนกับคนรับใช้ของตนนะพูดง่ า, งงายง่ว่าอบรมสั่งสอนยากจนกระทั่งอย่างก็ว่าอยู่ในโอวาทเลยนะให้ยักตั้งอยู่ในศีล5้าจนได้นะแสดงว่าปราบยักได้สําเร็จนะในที่นี้ก็อยากจะเตือนพวกเราว่าไม่ต้องไปปราบยักคนอื่นเขาหรอกนะ พยายามปราบยักษ์ตัวเราเองนี่แหละไม่อย่างนั้นอาตมากลัวว่าเดี๋ยวจะไปเจอยักษ์เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วมันจะลำบากเดี๋ยวจะหัวล่างข้างแตกปากเจอ <c oughs> นี่วันรุ่งขึ้นพวกมนุษย์ซึ่งเดินทางผ่านสารานั้น <c oughs> เห็นยักษ์และทราบข่าวว่าบุตรพราหมณ์สามารถปราบยักษ์สาเร็จจึงพากันไปกราบทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะมีมานพคนหนึ่ง ทรมานยักษ์ได้สำเร็จได้ทำให้ยักษ์นั้นกลายเป็นเสมือนคนรับใช้ได้พระเจ้าค่ะพระราชาจึงรับสั่งให้หาพรามานบนั้นแล้วทรงตั้งไว้ในตาแหน่งเสนาบดีแม่พระราชาคนนี้ก็อะไรอ่ะคือพระราชานี่ก็แสดงว่าเขาเรียกอะไรนะรักคนเก่ง รักคนดีนะใครทำดีได้ก็รู้จักที่จะให้ให้รางวัล น, นะให้ฐานะให้ตำแหน่งจะได้ได้คนดีไว้ใช้และได้พระราชาทานยศอันยิ่งใหญ่ให้แก่บิดาของของพราหมณ์ของของเขานะของบุตรพราหมณ์นั่นแหละพระราชาทรงกระทำยักษ์ให้ได้รับพีกรรมอ่าสำหรับยักษ์นั้นนะยักษ์นั้นโดนปราบสาเร็จแล้วใช่ไหม ก็ให้ยักษ์ตัวนั้นเนี่ยได้รับพรีกรรมคืออะไรพรีพรีนี่ก็ให้นั่นเองพรีนี่ก็คือให้รกรรมนี่ก็คือการกระทำนั่นเองพรีกรรมนี่คืออะไรพระราชาทรงกระทายักษ์ให้ได้รับพรีกรรมคือให้ยักษ์เนี่ยนี่ตามความเข้าใจตรรมานะคือให้ยักษ์นี่ได้รับพรีกรรมก็คือว่าให้ยักษ์เนี่ย เหมือนกับเคยไม่ดีมาสมมุติว่าเหมือนกับองค์คุลิมาเนี่ยเคยไม่ดีมาผู้เจ้าก็ไปไปปราบองค์คุลิมาสําเร็จใช่ไหมแม้ว่าองค์คุลิมาสําเร็จแล้วจะบวชเป็นพระแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องต้องอะไรต้องรับกรรมนะยังต้องรับกรรมยังก็ต้องใช้กรรมยังก็ต้องอะไรต่างๆนานานะนะรวมไปทั้งอีกอย่างหนึงก็อาจจะแบบว่า ช่วยเหลือนี่แหละพีกรรมนี่ก็คือการช่วยเหลืออย่างเช่นบางทีเนี่ยเขาไปเส้นไหว้เทวดาถ้าถ้าพวกที่เขาเชื่อถือเรื่องเทวดาเรื่องเจ้าเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาข้าวของอะไรเนี่ยไปศักการะไปบูชาให้เขาก็เรียกว่าพีกรรมได้เหมือนกันเข้าใจไหมวันเนี่ยพระราชานี่ก็อาจจะแบบเนี่ยก็เอาข้าวของเอาอะไรต่างๆนี่มาให้ยักษ์อะไรอะ่ะให้ยักษ์ได้ ได้กินได้ใช้โดยที่ยักษ์จะได้ไม่ต้องไปทําบาปไม่ต้องไปอะไรไปฆ่าคนกินอีกอะไรเงี้ยนะเข้าใจไหมคือให้ได้รับได้รับอาหารการกินอย่างอื่นที่มันถูกต้องหรือว่ามันดีแล้วสมมติเราเนี่ยแต่ก่อนนี้เราเป็นยักษ์พวกเราเนี่ยนะอ่าเรากินเป็ดกินไก่กินหมูกินกุ้งกินปลากินอะไร กินวัวใครเคยกินช้างรป่อเนี่ยยังไม่เคยนะใครเคยกินงูอ่ะในที่นี้เออนะเนี่ยแต่ก่อนนี้เราเป็นยากมาก่อนโอ้เรากินสัตว์นานาชนิดเลยใช่มตอนนี้ได้รับพีกรรมคือคราวนี้เราเรามีคนเขาเอาผักมาให้กินเอาแตงกวามาเขือเอาเข้าวกล้อง ทวงง่ามาให้กินนะเลยเลยปคราวนี้เลยกินพวกอย่างเนี้ยอิ่มนะไม่ต้องไปกินหมูเป็ดไก่อีกแล้วนะอย่างเนี้ยก็ถือว่าเนี่ยได้รับพรีกรมรมเข้าใจไหเ อ, อ่แล้วก็เลยเลิกเป็นยักษ์แล้วเพราะว่าไม่ต้องไปกินหมูเป็ดไก่อะไรอีกแล้วนะอันนี้เปรียบมาให้ฟังนะผู้เจ้าท่านก็ก็เล่าเรื่องนี้มาเนี่ยที่มาพระราชานี่ก็เลย คือทำยักษ์ให้เลิกเป็นยักษ์แล้วนะทำคนที่ไม่มีศีลเนี่ยให้มีศีลขึ้นมาเมื่อมีศีลขึ้นมาเขาก็ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำร้ายคนอื่นแล้วตั้งยักษ์เนี่ยนะให้อยู่ในโอวาทของบุตรพรามโดยกระทําบุญมีทานเป็นต้นบําเพ็ญทางไปสู่สวรรค์เนี่ยพระราชาทรงกระทํายักษ์ให้ได้รับผีกรรมแล้วตั้งให้อยู่ในโอวาทของบุตรพรามโดยกระทําบุญมี โดยการทาบุญมีทานเป็นต้นอ๋อก็หมายถึงว่าให้ยักษ์เนี่ยพูดง่ายว่าทําบุญทําทานด้วยนะจริงๆทําบุญทําทานเนี่ยถ้าทางวัตถุเนี่ยก็ยังเป็นแค่บุญวัตถุทานเท่านั้นเองถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นอภัยทานนะระดับที่สองอภัยทานก็คือนี่แหละการถือศีลเพราะฉะนนี้ถ้ายักษ์เนี่ยถือศีลห้าขึ้นมาได้นี่ยโอ้โหเป็นการทําบุญทําทานที่ยิ่งกว่าเหนือกว่าวัตถุทานอีกเป็นบุญที่สูงกว่า ถ้าทำยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนะปรีกรรมที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนะเครื่องบวงสรวงที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปก็คือธรรมทานธรรมทานนี่สูงสุดนะเป็นบุญที่สูงที่สุดพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ตัดว่าคำโต้อตอบว่าขอให้ท่านจงมีอายุเถิด ได้เกิดขึ้นแล้วในการนั้นอ๋อนี่นท่านเล่าว่าเนี่ยไอ้ต้นเรื่องที่เกิดคําว่าเอาขอให้ท่านจงมีอายุเถิดขอให้ท่านมีอายุยืนยาวเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยแหละต้นเรื่องคือบุตรพราหมณ์เนี่ยแหละนะแล้วก็เรื่องที่เขาคุยกันนี้เสร็จแล้วผู้เจ้าก็ตัดว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในในบัดนี้ส่วนพราหมณ์ผู้เป็นบิดา ก็คือพระกัสสปะส่วนบุตรพรามนั้นนะก็คือเราตถาคตนี้เองนะก็จบเรื่องชาดกเรื่องนี้นะชาดกเรื่องนี้นี่อาตมาก็พยายามนะขยายให้พวกเราฟังให้เราเข้าใจคำว่ายักษ์ให้มากขึ้นรวมไปทั้งให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเรื่องของการที่ ที่ยักในตัวเราเนี่ยเราจะแก้เราจะปราบได้ยังไงนะอย่างเช่นในเรื่องนี้นี่วิธีปราบยักอ่าเขาใช้อะไรปราบใช้อะไรปราบในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ อ, น อ, อ่อ่นนอานะเพราะฉะนั้นคราวนี้จนี่ปราบยักในตัวเราเนี่ยก็เหมือนกันเราก็ต้องใช้ศีลเนี่ยปราบยักในตัวเราเพราะเราถึงได้ต้องพยายามให้มีแบบว่า เ, เล้วลึกถึงศีลอยู่เสมอๆใช่ไหมมันตัวศีลมันเช็คศีลเพื่อที่เราเจะได้ปราบยักษ์ในตัวเราตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจามนะจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยพระสูตรก็มีนะเรื่องของการจามอันนี้อาจารยมายคิดว่าเขาเอามาจากในพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งที่พระเจ้าแสดงธรรมแล้วก็มีจามจริงๆด้วยพอพระุทธเจ้าท่านจามปับ๊บพระนาง โคตมีเนี่ยเป็นอะไรพนางาเป็นพนานางนะก็เลยทูลขอผู้เจ้าเลยนะบอกว่าขอให้พระองค์จงมีพระชนชีพอยู่นานนานขอพระองค์จงดํารงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อความเกื้อกูลและเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงขออย่าให้พระองค์ทรงพระชราและปรินิพานเสียเลยนี่เป็นคําขอของพระนางโคตมี ซึ่งซึ่งยังใช้คำว่าพระนางโคตมีนี่แสดงว่ายังไงยังไม่ได้บวชนะคือพู้เจ้าแสดงธรรมเสร็จแล้วก็จามใช่ไหมอ๋อพระน า, นางนี่เป็นห่วงมากเลยขอทันทีเลยนะขอให้มีอายุยืนยาวนี่พูดอย่างภาษาอาตมาแล้วทีขอให้ขอให้พระองค์เนี่ยมีอายุยืนยาวขอให้อยู่ไปตลอดกับเลยตลอดกับนี่สมมุติว่าร้อยปี นะเอากับหนึ่งนี่เอาว่าร้อยปีนะขอให้เนี่ยยูช่วยโลกฉลาดด้วยนะบอกว่าเพื่อประโยชน์แก่โลกแล้เพื่อประโยชน์แ ก, กนะแ ก, แกคนโลกทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้อย่าแกเนี่ยขอให้อย่าแก่ แ, กและอย่าปรินิพานโอ้โหขอให้อย่าปรินิพานคุณคิดดูแล้วกันฟังให้ดีนะใช้คําว่าปรินิพานไม่ใช่ ไม่ใช่ว่านิพพานนะถ้าถ้าขอว่าอย่านิพพานนี่คนละเรื่องขอไม่ได้เพราะว่าผู้เจ้านิพพานอยู่แล้วเข้าใจไหมอ่านิพพานอยู่แล้วยังเป็นอาหารนี่นิพพานอยู่แล้วไม่ต้องขอมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วไม่ต้องขอแต่ว่าขออย่าปรินิพพานเพราะปรินิพพานนี่ศูนย์แล้วตัดรอบแล้วไม่มีการเกิดอีกใช่ไหมพเพราะฉะนั้นขออันนี้ คือขอให้ยังไงก็มาโปรดโลกอีกยังขอให้กลับมาคือยังจะขอให้เป็นโพธิสัตว์อีกให้กลับมาอีกจริงได้ขอว่าขออย่าปรินิพานเลยเอามันมีจุดนะมันมีจุดมันถึงที่สุดแล้วมันมีจุดของมันนะทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้มันมีมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับแล้วมันมีจุดพอดีของมัน ไม่ใช่ว่าการเกิดการเกิดการเกิดการเกิดการเกิดเป็นความพอดีก็ไม่ใช่นะเพราะมันมีทุกอย่า ง, ง ม, มันจะมีรอบมันจะมีจุดมันมีที่สุดของมันว่าถ้าถึงจุดนี้แล้วถึงอันนี้แล้วพอดีที่สุดแล้วเกินนี้ไปก็ไม่พอดีแล้วน้อยกว่านี้ไปก็ไม่พอดีแล้วเพราะถ้าเป็นระดับพระเจ้าเนี่ยท่านก็จะต้องรู้จุดพอดีของของตัวท่านเองใช่ไหมว่าท่านคิดว่าจุดไหนพอดีที่สุดจุดท่านจะอยู่จุดจุดที่พอดีที่สุด และนั่นเนี่ยคือมัชชีมาที่สุดพระเจ้าเนี่ถ้าต้องเป็นกลางที่สุดแล้วถ้าต้องเป็นจุดที่พอดีที่สุดจริงๆท่านจกิมาเกิดอีกก็ได้ใช่ไหมอ้าวแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์เท่าเท่าถึงตอนนั้นนั่นแหละตอนนั้นแหละตอนนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดของท่านแล้ววดีที่สุดแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะคุณจะให้เลยไปเข้าใจไ้ยเลยไปก่อนี้อาจจะได้น้อยกว่านี้แล้วประโยชน์นะเพราะนั้น มันไม่ค่อยได้เหมือนอย่างนี้แล้วก็พอแล้วท่านก็ไม่เอาแล้วท่านก็เอาอันนี้แหละสูงสุดแล้วก็เอาสิ่งที่สูงสุดเนี่แหละดีที่สุดนี่แหละเหมาะที่สุดนี่แหละเป็นตัวอย่างให้กับโลกเอาตัวอย่างที่พอดีที่สุดนี่แหละให้กับโลกไม่เอาตัวอย่างที่ขาดนี่ให้เป็นตัวอย่างโลกไม่เอาที่เกินเป็นตัวอย่างให้กับโลกความพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องพอดีทางสายกลางท่านบอกแล้ว ว่าต้องพอ ด, ดีเอาให้กับโลกนี้เพราะเรื่องอะไรถ้าจะฝากตัวอย่างที่ขาดหรือว่าตัวอย่างที่เกินเอาไว้ให้กับให้กับอนุชนรุ่นหลั ง, ลงที่จะทําต่อไม่งั้นอีกหน่อยคนเขาก็ต้องยึดผู้เจ้าเป็นหลักใช่ไหมถูกกับ่าเขาต้องเอาตัวอย่างอย่างผู้เจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาที่ขาดหรือว่าเอาที่เกินที่ผู้เจ้าท่านทำมาสิวันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างท่านบอกว่าฉันมือเดียวเนี่ยเป็นพอดีใช่หไหมเท่านั้นที่ผู้เจ้าฉันน้อยกว่านั้นก็ได้ ฉันมากกว่ามื้อเดียวก็ได้สําหรับผู้เจ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ท่านบอกว่าฉันมือเดียวเป็นพอดีอันนี้ถ้ามีตัดไปเลยท่านบอกว่าเลยว่าว่าภิกษุของเรานี่นะคําตัดผู้เจ้าเนี่ยท่านพูดว่าภิกษุของเราเนี่ยฉันน้อยกว่าเราก็มีฉันมากกว่าเราก็มีอ่าท่านก็นพูดแต่อันนั้นยังไม่ใช่พอดีไงสําหรับผู้เจ้าแล้วท่านถือว่ามื้อเดียวนี่เป็นพอดีแล้วท่านเอาตรงนี้แหละสําหรับ เป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้กับคนที่จะดําเนินตามท่านเพราะท่านต้องฝากสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วก็พอดีที่สุดเนี่ยเอาไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้คนอื่นๆที่จะตามมาเอาความพอดีฝากไว้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท่านจะมาเกิดอีกหรือว่าท่านจะสูญไปโดยที่ท่านไม่มีการคิดไม่มีการคํานวณท่านต้องคิดแล้วท่านก็ต้องคํานวณแล้วเหมือนสมมุติว่าคุณเนี่ยคุณจะสร้างผลงานอะไรไว้ในโลกนี้คุณต้องสร้างผลงานที่คุณว่า ดีที่สุดแล้วเหมาะที่สุดแล้วใช่ไหมสำหรับคุณ<ม>ก็ทำสิ่งนั้นนะอ่ะฝากฝากเอาไว้แล้วคุณคุณคุณลองคิดดูสิอ่ะสมมตินะคุณจะอยู่โรงครัวสมมุติอยู่โรงครัวไปจนตายคาครัวอะไอะไรเงยหรืออะไรหรืออย่างอาตมาสมมุตินะอาตมาจะอยู่สันติอโศจนกระทั่งแก่งําเหือกตายไปเลยมันคงไม่ใช่แน่แน่ใช่ไหม บางทีอาจจะต้องไปอยู่จุดนู้นอาจจะต้องไปอยู่จุดนี้หรือไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเราก็ไม่ได้เก่งอย่างนั้นซะด้วยแต่อย่างน้อยถ้าเราฉลาดเราก็จะต้องต้องรู้แล้วเหมือนผู้เจ้าเนี่ยตอนที่ท่านจะปรินิพนธ์เนี่ยใช่ไหมท่านก็เดินทางไปตามที่ต่างๆใช่ไหมอ่าไปถึงจุดนู้นจุดนี้เสร็จแลจ้วจะปรินิพนธ์อยู่ที่ที่ไหนนะกุศินาระแล้วไปที่ไหนที่ท่านเดินทางไปถึงอะ่ะที่พระนรนก็ทักขึ้นมาว่า โอ้อย่าๆที่นี่เลยที่นี่เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยอะไรอย่างต่างเนี้ยพระเจ้าก็บอกว่าไม่หรอกที่อย่างนี้สินะพระเจ้าก็ก็อธิบายเหตุผลให้พระอนลฟังซึ่งจุดล่งนี้แหละมันเป็นจุดที่ท่านก็ต้องรู้แล้วว่าท่านปรารถนาท่านต้องต้องการทำอะไรที่จะเป็นการพอดีให้สำหรับคนอื่นเอาปฏิบัติตามท่านก็จะทำในจุดนั้นแล้วท่านก็จะถือว่าจุดนั้นเป็นพอดี ในยุคนั้นในกาลนั้นก็ตามหรือในการต่อต่อไปก็ตามอันนี้เป็นเป็นสิ่งเหาเหล่นี้นะอเสร็แล้วตอนนี้ก็พอพระนางโคตมีเนี่ยขอพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าทั้งเลยตัดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านใช้คําว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะอันบุตรคลชมเชอยอยู่ไม่เหมือนอย่างที่ท่านชมเชย คือคือแบบว่าขออย่างนั้นขออย่างนี้เนี่ยนายผู้เจ้าบอกว่าไอ้ที่ขออย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับที่คนถูกต้องเขาจะขอหรอกท่านจงดูภาษาวกทั้งหลายผู้ตั้งต้นเพียรอยู่ตั้งใจแน่วแน่มีความบากบันมั่นสม่ำเสมอเป็นคนพร้อมเพรียงกันนี้คือการชมเชยพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือผู้เจ้ากลับต อ, ตอบว่า การที่เราจามแล้วท่านก็มาขออย่างเงี้ยนะขอจนกระทั่งว่าขออย่าบริญญิพานเฉยเลยนี่นะบอกเอ๊ ي, อย่างนี้มันไม่ถูกหรอกขออย่างเงี้ยนะการขออย่างนี้นะี่เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าคนที่มาขออย่างเงี้ยหรือว่าจะมาชมเชย อ, อย่างเงี้ยนะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องมาดูที่ระดับพระพุทธเจ้าละดูแค่สาวกก็ได้บอกว่าการที่จะชมหรือว่าการที่จะ ขอให้ไปอย่างนั้นขอให้เป eds eds. ็นอย่างนี้กับสาวกของพระเจ้าก็ตามนะบอกว่าให้ดูที่สาวกว่าสาวกทั้งหลายผู้ตั้งต้นเพียรอยู่เนี่ยเหมือนกับเนี่ยขอให้มีอายุยืนยาวเนี่ยเห็นไหมนี่พระนางโคตมีก็ขอขอให้มีอายุยืนยาวนะพระเจ้าบอกถ้าอยากจะดูว่าสาวกเนี่ยจะมีอายุยืนยาวเนี่ยก็ให้ดูสาวกที่ผู้ที่ตั้งต้นเพียรอยู่เห็นไหมเนี่ยมีอธิบาทแหะเห็นไหม สาบกที่มีอิทธิบาทอยู่เนี่ยนะให้ดูแล้วจริงๆผู้เจ้าก็เคยตัดด้วยว่าถ้าท่านจะอยู่มีอายุอยู่ตลอดกลับได้เนี่ยถ้าท่านใช้อะไรแล้วท่านจะอยู่ได้ตลอดกลับท่านใช้อิทธิบาทแล้วท่านจะอยู่ได้ตลอดกลับเห็นไหมวันเนี้ยท่านท่านก็ตอบพระนางโคตมีอยู่เหมือนกันในวันเนี้ยให้ดูสาวกที่เพียรอยู่ก็แล้วกันว่าตั้งใจแน่วแน่มีความบากบันสม่ําเสมอ เป็นคนที่พร้อมเพรียงกันนี่แหละเป็นคําชนเชยของผู้เจ้าทั้งหลายคือคือถ้าเห็นแค่สาวกมีอิทธิบาทอยู่อย่างนี้ไม่ต้องถามถึงผู้เจ้าเลยถ้าผู้เจ้าอยากจะมีอายุยืนกว่านี้หรือหรือว่าการเจ็บป่วยเจ้าไข้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะที่จะให้เบาบางหรือว่าไม่ให้เกิดไม่ให้มีไม่ให้เป็นอะไรพวกนี้ผู้เจ้าท่านอะไรอะ่ะท่านทำตัวท่านเองเนี่ยได้ ได้เลยคือตั้งใจที่จะดูแลรักษาตัวเองท่านกับมีอายุยืนกว่นี้ก็ได้แต่ที่ท่านไม่ยืนกว่านี้ท่านต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นไปตามความพอดีพอเหมาะพอสมที่ท่านคิดว่าท่านต้องทําอย่างนี้แหละตามยุคนี้ตามกาลนีนะ้ท่านก็ต้องทําลักษณะนี้เพราะฉะนันถ้าจะชมถ้าจะชมพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ควรจะชมที่ความมีอิทธิบาทของพระพุทธเจ้าหรือว่าความเพียรที่แน่วแน่ด้วย แล้วก็เพียมไม่หยุดเพียมสม่ําเสมอถ้าจะชมหรือว่าถ้าจะขอให้มีอายุยืนยาวขออย่างนี้เถอะขอให้มีความเพียมถ้าขออย่างนี้แล้วก็เออจะถูกนะอันนี้อันเนี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องจามที่มีในพระสูตรนะที่พระพุทธเจ้าจามแล้วพระนางโคตมีนี่ก็เลยขอขึ้นมาอ่ะนี่ก็จบนะเรื่องของพระคชาดก อ่ะมีอะไรไหมไม่มีอะไรก็จะจบอะไรนะอ๋อไม่ไม่ไม่แหมเดาเดาเก่งพักคะไม่ใช่แปลว่าจามพักคาในที่นี้เนี่ยบุตรของพราหมณ์เนี่ยเวลาเรียกเรียกพ่อของตัวเองในเรื่องเนี้ก็จะเรียกว่าพักคะคือเรียกพักคะเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับชื่อพ่อของของของบุตรพราหมณ์นี่ วันชื่อชื่อเรื่องนี้คือชื่อชื่อของพ่อของพรามณ์นะพักคะชาดกซึ่งก็หมายถึงว่าก็กบุตของพรามณ์เนี่ยขอให้พ่อมีอายุยืนยาวเนี่ยอ่ะได้ก็จบแค่นี้